เริ่มต้นออกเดินทางชีวิตของคนคนหนึ่งผูกอยู่กับความคิดทั้งหมดที่มีอยู่นั่นหมายความว่าถ้าความคิดเปลี่ยนแปลงไปทั้งยวงการเกิดใหม่ก็เริ่มต้นบางคนคิดว่าสิ่งที่เราไม่รู้อย่างที่สุดในชีวิตก็คือเรื่องเกี่ยวกับการตายของตัวเองเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วยุติ จะตายวันไหนตายอย่างไรและตายในสถานที่แบบใดวันนั้นจะมีอยู่เพียงวันเดียวเป็นประสบการณ์หนเดียวพูดง่ายๆว่าการตายคือการยุติไม่มีความจำเป็นใดๆต้องไปคำนึงถึงล่วงหน้าให้เสียเวลาเปล่าแต่แท้จริงสิ่งที่เราไม่รู้ยังมีมากไปกว่านั้นชนิดที่ทำให้ความไม่รู้เรื่องความตายกลายเป็นเรื่องจ้อยไปเลย นั่นคือความจริงเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายหากหลังความตายมีรูปแบบการมีชีวิตอยู่จริงก็นับเป็นเรื่องน่าพวงกว่าความตายมากนะักเพราะกระบวนการตายอาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่หลังจากนั้นเราจะต้องทนอยู่กับความจริงที่เหลืออีกนานเพียงใดไม่อาจทราบได้ หากมองด้วยความเชื่อว่าหลังความตายมีภพภูมิใหม่รอต้อนรับเราอยู่มุมมองเกี่ยวกับขณะแห่งความตายก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการตายเป็นการสอบครั้งเดียวที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวใหม่อีกรอบ ถ้ามองในแง่ที่ว่าทุกคนต้องเป็นผู้เสวยผลกรรมของตนก็แปลว่าเราทำอะไรลงไปเท่าไหร่ก็คือลงทุนให้ตัวเองได้รับกำไรหรือความขาดทุนเท่านั้นต่อให้เราเสียสลับเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นตลอดทั้งชีวิตท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นเราจะเป็นผู้เสวยรางวัลแห่งการเสียสลับนั้นเอง และในทางตรงข้ามแม้เราจะรู้สึกเหมือนเอารัดเอาเปรียบผู้คนกอบโกยผลประโยชน์มาได้ทั้งชีวิตท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นเราจะเป็นผู้เสวยโทษทันจากการเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบนั้นเองแต่การอยู่ในวังวนเวียนไห้ตายเกิดอย่างไม่รู้นี้ ทุกคนถูกทำให้ไม่รู้ว่ามีการเกิดการตายกันหลายชาติมีการเสวยกรรมที่ทำด้วยโลภะโทสะโมหะพวกเราเหมือนถูกหลอกกันตั้งแต่ลืมตาดูโลกว่าชีวิตนี้มีครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรก็รีบรบโกยเสียจากชีวิตนี้อย่ารีรออย่าเห็นใจใครอื่นมากกว่าตัวเองความไม่รู้หาได้เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งของใคร พวกเราเป็นของเราอย่างนี้กันเองถ้าหากรู้เสียอย่างเดียวเกมแห่งการเกิดตายจะไม่มีอยู่เลยหรือไม่เกมแห่งการเกิดตายก็จะมีแต่ฉากสนุกเตื่นเต้นเร้าใจเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเฮฮาและรอยยิ้มสดชื่นแตว่าเรื่องจริงไม่เป็นเช่นนั้นความไม่รู้ว่ากรรมดีทำให้เป็นสุขกรรมชั่วทำให้เป็นทุกข์ ส่งผลให้เราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพียงเพื่อตอบโต้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเหมือนเด็กไร้เดียงสาที่อาจเอาตะปูแย่รูปลักไฟได้ทุกเมื่อโดยไม่ทราบว่ามหันตภัยชนิดใดรออยู่ในนั้นภพภูมิและทิศ ท, ทางความเป็นไปได้ที่เรากำลังมุ่งไปตามที่พระพุทธองค์ตรัสคือเปรียบกับท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศ บางคราวก็ตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายผู้มีความไม่รู้เป็นเครื่องกลางกันมีความทยานอยากเป็นเครื่องประกอบไว้จึงท่องเที่ยวไปมาอยู่บางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่บรโลกบางคราวก็จากบรโลกมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่า สังสารวัตรนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายมิได้สังสารวัตรคือภพภูมิต่างที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันตามพฤติกรรมของจิตเมื่อใดจิตยึดความดีเป็นที่ตั้งก็ได้ชื่อว่าสร้างภพแห่งความเจริญรุ่งเรืองไว้เป็นที่ไปเมื่อใดจิตยึดความชั่วเป็นที่ตั้งก็ได้ชื่อว่าสร้างภพแห่งความเสื่อมซามไว้เป็นที่หมาย แต่ละครั้งของการเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิจะมีกรรอันเป็นตัวแปรมากมายซัดเราไปในทิศ ต, ต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างกลางบ้างและจะไม่ยุติลงด้วยความบังเอิญขึ้นฝั่งเองเลยคำว่าไม่อาจกำหนดเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะหมายถึงไม่อาจนับว่าเราลอยคออยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรแห่งความเกิดตายนี้มากี่แสนกี่ล้านกี่อสงไขยครั้งและจะต้องถูกซัดไปซัดมาอย่างไม่อาจพยากรชะตากรรมอีกกี่แสนกี่ล้านกี่อสงไขยหนเพราะฉะนั้นทุติย บ, บพะจะไม่นำเสนอเพียงที่หมายระยะสั้นเป็นพบภูมิต่างๆแต่ยังจะแสดงที่หมายสุดท้ายตามคติพุทธ คือฝั่งอันเป็นที่หยุดลอยคอกลางมหาสมุทรแห่งความเกิดตายนี้ด้วยความตายคืออะไรสำหรับคนทั่วไปถ้าเชื่อซีอย่างเดียวว่าสมองคือเครื่องผลิตความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณก็ไม่ต้องพูดต่อความยาวสาวความยืดให้มากไปกว่านั้นความตายคือการยุติการทำงานของร่างกายและจิตใจ ประสบการณ์และการกระทําทั้งมวลล้วนสาบสูญลงณจุดเวลาแห่งมรณะกรรมนั้นเองแต่สำหรับพุทธศาสนิกชนหรือจำเพาะลงไปกว่านั้นคือพุทธศาสนิกชนผู้มีสมาธิจิตผ่องแผ้วมีศักยภาพในการน้อมจิตไปรู้เห็นขณะจุดติและอุบาิของวิญญาณหลังกายหมดสภาพก็ยอมเห็นเป็นอีกอย่างว่าความตายของคนเรา คือการรวบรวมกรรมทั้งหมดในชีวิตมาชั่งน้ําหนักแล้วตัดสินว่าเอียงไปข้างใดระหว่างสูงขึ้นหรือต่ําลงกว่าความเป็นมนุษย์เมื่อนน ค, คิดอย่างคนไม่แน่ใจคิดอย่างคนไม่เคยมีประสบการณ์ล้มหายตายจากรวมทั้งรู้สึกว่าจะไม่มีทางได้รู้ล่วงหน้าก็อาจยิ้มยิ้มปลอบกันว่าความตายจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิดวันนี้ยังมีชีวิตก็พอ หรือไม่ก็อาจสรุปรวบรัดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้ถ้าต้องตายก็ให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นนั่นคือคำสุดท้ายสำหรับคนทั่วไปจริงๆทำดีที่สุดผู้มีความรู้เห็นกรรมวิบากและภพภูมิดุจตาเห็นรูปย่อมทราบว่าจะทำได้ดีที่สุดนั้นไม่อาจใช้สามัญสำนึกหรือความรู้สึกแบบคนธรรมดาเป็นไม้บรรทัดวัด แต่ต้องอาศัยความรู้ที่ได้จากความเห็นแจ้งประจักษ์อันเป็นสิ่งเหนือโลกและในบรรดาญาณของผู้อย่างรู้ได้กันทั้งหมดพระพุทธเจ้ารู้ดีกว่าใครไม่มีใครรู้ได้เสมอพระองค์เนื่องจากพระองค์บรรลุถึงซึ่งธรรมชาติบางประการที่เรียกกันว่าพระสัพพายุตยานอันหมายถึงปรีชา ย, ยานอย่างรู้สรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กเท่าอะตอมหรือใหญ่ขนาดเอกภพไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของหยาบหรือของประนีตและไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นภพภูมิที่เกิดแต่กรรมแบบไหนผู้สำเร็จถึงซึ่งพระสัพพัญยุตยานย่อมรู้แจ้งทั่วตลอดไม่มีผิดพลาดเลย พระพุทธเจ้าตรัสจำแนกเกี่ยวกับภพบภูมิรวมทั้งความคาบเกี่ยวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเปลี่ยนภ พ, บพบภูมิไว้มากโดยสรุปรวบยอดที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับภาวะความตายได้แก่นิยามแห่งมรณะดังนี้ก็มรณะเป็นชนหยมรณะคือความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความแตกทำลายความหายไปมรตยุความตาย ความทำกาละความทำลายแห่งรูปนามความทอดทิ้งซากศพไว้ความขาดแห่งชีวิตจากมูสัตหนึ่งหนึ่งโดยสรุปก็คือตามความรู้แจ้งเห็นจริงของผู้มีญาณอย่างรู้ตลอดสายความตายไม่ใช่การยุติถว่าเป็นการเคลื่อนจากความเป็นอย่างหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อถึงจุดแห่งความสิ้นสภาพการเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหนึ่งโดยทอดทิ้งซากเดิมไว้ในโลกนี้ทิ้งซากศพไว้แล้วผละไปเป็นสัตว์ในพบภูมิอื่นตามกรรมแห่งตนคำว่าสัตว์ในความหมายเชิงพุทธไม่ได้หมายถึงหมูหมา ก, ากาไก่แต่ได้เหมารวมเอาสิ่งมีชีวิตทุกพบทุกภูมิทั้งหมดไว้ว่าเป็นสังสารสัตว์ คือสัตว์ที่เวียนไหวตายเกิดในสังสารวัตยอย่างไม่รู้อินโหนอิแนแนนี้จะเป็นอินโพรมยมยักษ์มนุษย์หรือเปรตต่างๆก็ล้วนเป็นสังสารสัตว์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสําหรับหมูหมากาไกา่จะถือเป็นเหล่าสัตว์ในอบายภูมิเรียกโดยเฉพาะว่าเป็นเดรฉานรูปแบบของความเป็นสัตว์ในภพภูมิหนึ่งจะสิ้นสุดลงด้วยความตายแล้วย้ายไปสู่ความเป็นสัตว์อีกภพภูมิหนึ่ง พิจารณาจากความจริงข้อนี้แปลว่าระหว่างมีชีวิตเรามีเวลาประมาณหนึ่งเป็นโอกาสให้สร้างภาพใหม่ก่อนจะเกิดการล้างภาพเดิมร่างกายของทุกคนคือนาฬิกาชีวิตที่ส่งสัญญาณบอกเป็นระยะระยะว่ามาถึงไหนแล้วความตายคือจังหวะที่นาฬิกาชีวิตเดินไปจนสุดลานแต่ละคนถูกไขลานไว้ต่างกันโดยกรรมกล่าวคือ บางรายต่อให้บำรุงดีขนาดไหนใช้การแพทย์เข้าช่วยเพียงใดอย่างไรก็ต้องไปในวัยเยาว์ส่วนบางคนไม่ค่อยระวังเนื้อระวังตัวมัวเมากับสิ่งเสพติดค่อนข้างมากด้วยซ้ากลับอยู่ได้ถึงแปดสิบก็มากการส่งเสียงเตือนในช่วงเวลาสุดท้ายของนาฬิกาชีวิตก็ไม่เหมือนกันบางคนถูกเตือนอย่างหนักหน่วงรุนแรงและทีบ่อย กระทั่งเจ้าตัวรู้สึกออกมาจากข้างในได้ว่าไม่น่าจะเกินเมื่อ น, นั่นเมื่อ น, นี้แต่บางคนก็ไม่มีเขาไม่มีเงาไม่มีการเตือนแร ง, แ, รงแต่อย่างใดจู่จูปุบปับก็ส่งเสียงกริ้งสุดท้ายขึ้นมาเฉยเฉยโดยไม่ทันสั่งเสียกับครอบครัวซึ่งอันนี้ก็สุดแท้แต่กรรมเก่ากรรมใหม่มาบวกกันแล้วต้องมีอันเป็นไปตามนั้น ประสบการณ์ตายจริงในเมื่อคนเราตายจริงได้ครั้งเดียวนอกนั้นเป็นข้อกังขาเกี่ยวกับสมองหรือไม่ก็เป็นเพียงการถอดจิตด้วยพลังฌานอย่างนี้ไม่แปลว่าคนเราไม่มีสิทธิ์ล่วงรู้ความจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ขณะตายจริงบ้างเลยหรือคําตอบคือมีคือต้องเป็นผู้ที่ฝึกวิชารู้ตามจริงแบบพุทธศาสนามาอย่างโชคโชน คือเห็นกายเห็นจิตที่แสดงการเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี้ให้ชัดกระทั่งมีความเป็นกลางมีสมาธิตั้งมั่นผ่องแผ้วปราศจากอคติและเป็นอิสระจากการปรุงแต่งทางสมองใดๆจากนั้นย่อมสามารถโน้มน้อมไปกำหนดรู้ภาวะทางจิตของผู้อื่นเปรียบเทียบเห็นได้ชัดว่าแท้จริงก็เหมือนของตนคือมีสภาวะจิตใดๆเกิดขึ้นด้วยเหตุ สภาวะจิตนั้นๆย่อมต้องดับลงเป็นธรรมดาเมื่อกำลังทรงของเหตุสิ้นสุดลงผู้ที่ฝึกวิชารู้ตามจริงในพุทธศาสนาย่อมเห็นว่าทั้งตนเองและใครๆวนเวียนอยู่ในการเกิดสภาพจิตเพียงไม่กี่ชนิดเช่นจิตมีราคะแล้วแปลเป็นจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะแล้วแปลเป็นจิตไม่มีโทสะ จิตมีความหลงแล้วแปลเป็นจิตไม่มีความหลงจิตหดหู่แล้วแปลเป็นจิตตื่นเต็มสดใสจิตฟุ้งซ่านแล้วแปลเป็นจิตที่สงบที่เกิดสภาพจิตหนึ่งหนึ่งก็เพราะมีเหตุเช่นจิตมีราคะก็เพราะโดนรูปหรือเสียงกระทบก่อนมีความตรึกนึกถึงรูปหรือเสียงในทางที่น่ายินดี แต่พอรูปหรือเสียงหายไปหมดอาการตรึกนึกถึงรูปหรือเสียงในทางน่ายินดีเช่นเพียงมีสติรู้ว่าราคะเกิดขึ้นในจิตและไม่ยินดีตรึกนึกในทางกามต่อราคะก็จะหายไปเองเพราะหมดแรงส่งจากเหตุเก่านอกจากนั้นแล้วผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงในพุทธศาสนายังสามารถเห็นแจ้งว่าทั้งตนและทั้งใครต่อใคร ต่างก็มีสภาพของจิตอยู่หลักๆคือรู้อะไรอย่างหนึ่งกับพักอยู่ในอาการไม่รู้อะไรเลยและในอาการไม่รู้อะไรเลยนั้นก็ใช่ว่าจิตจะดับไปแต่อย่างใดทว่าอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมจะยกขึ้นสู่การรับรู้ใหม่เมื่อมีอะไรมากระตุน้นขอจําแนกความรู้ประการหลังนี้ให้ชัดเจนคือ 1. ภาวะรู้ผัสสะกระทบได้ คือสภาพที่ปรากฏเมื่อตาประจวบรูปหูประจวบเสียงจมูกประจวบกลิ่นลิ้นประจวบรสกายประจวบสัมผัสและใจประจวบความนึกคิดแล้วเกิดสภาพรู้ชัดเข้าไปในสิ่งกระทบนั้นๆเช่นอยู่ๆเรานึกได้ขึ้นมาว่าวันนี้ต้องไปหาหมอตามนัดตรงนั้นคือมีความจำเข้ามากระทบจิตเราแล้วเป็นผัสสะภายในชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว 2. ภาวะที่จิตไม่รับรู้ผัสสะใดๆคือสภาพที่ปรากฏหมดการรับรู้จากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดใดๆเรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่าภาวังขจิต ย, ยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือคนสลบเมื่อจากการโดนของแข็งกระทบศีรษะ หรือขณะที่เรากำลังอยู่ในภาวะหดหูมึนซึมจนไม่รู้สึกตัวแม้อยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรแต่แม้จะไม่รับรู้ผัสสะกระทบใดๆภวังขจิตก็ยังทำงานตามธรรมชาติของมันอยู่ตลอดเวลาภาวะในแบบข้อสองนี่แหละที่น่าสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายโดยตรง เมื่อผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงในพุทธศาสนาน้อมระลึกชาติอันเป็นอดีตของตนซึ่งมีการเกิดตายมานับครั้งไม่ท่วนประกอบกับการอาศัยทิพยาจักขุ่ส่องดูสัตว์โลกที่กำลังเกิดตายกันอย่างครึกโครมอยู่ทุกวินาทีซึ่งปัจจุบันก็คือเกิดวินาทีละสี่และตายวินาทีละสองก็ยอมทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายได้อย่างกว้างขวางพิสดาร คือเห็นว่าจะกี่คนกี่คนก็ตายและเกิดด้วยสภาพของพวังขจิต ด, ด้วยกันทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกจิตขณะแรกสุดของการเกิดว่าปฐมวิญญาณแต่สาวกในชั้นหลังเรียกว่าปฏิสนธิจิตส่วนจิตขณะสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าจุติจิต ด, ดังที่กล่าวแล้วว่าพวังขจิตนั้นแม้ไม่รับรู้ก็ยังมีการทางาน ฉะนั้นถึงเราจะไม่คิดอ่านกระทำการใดๆไม่ปรารถนาจะให้สิ่งใดเกิดขึ้นในขณะแห่งปฏิสนธิจิตและจุดติจิตก็จะต้องมีบางสิ่งดำเนินไปอยู่ตลอดเวลาตามกลไกธรรมชาติวันยังคำ่ำจะมาบอกว่าฉันไม่เชื่อเรื่องการเกิดใหม่จึงไม่ต้องไปเกิดใหม่อย่างนี้จุดติจิตเขาไม่รับรู้ไม่ยกประโยชน์ให้ตามความเชื่อนั้นๆเลยถามว่า จุดติจิตทำงานตามการกระตุ้นของอะไรต้องตอบว่าก่อนหน้านั้นจะเกิดนิมิตหมายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นได้แก่ 1. การทบทวนกรรม 2. กรรมนิมิต 3. คตินิมิต 1. การทบทวนกรรมคือการที่จิตหวนระลึกได้ว่าเคยทำอะไรไว้บ้าง โดยเฉพาะที่หมั่นทำเป็นประจำจนเคยชินทำให้จิตเกิดความเศร้าโศกกับบาปกรรมหรือทำให้จิตเกิดโสมนัสกับบุญกุศลภาวะการทบทวนกรรมนั้นเกิดขึ้นทางใจอย่างเดียวเท่านั้นไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูและไม่สัมผัสด้วยประสาทหยาบอื่นๆ มักมีข้อกังขาว่าคนตายบางคนทําไมยังวนเวียนอยู่กับที่เดิมหรือมาหาญาติที่บ้านหรือสิงสถิตยอยู่ตามที่ที่เคยคุ้นสมัยยังเป็นคนความจริงวิญญาณเหล่านี้ก็อยู่ในพภพบหนึ่งแต่ก่อนตายนั้นจิตหน่วงเอาความกังวลหน่วงเอาความผูกพันกับบุคคลไว้เป็นเรือนตายเข้าข่ายนิมิตหมายการทบทวนกรรมนี่เองพอจุติจิตปรากฏ เขาจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างวูบหายไปชั่วขณะแล้วเกิดจิตในพบใหม่ที่ยึดสภาพของความเป็นคนเดิมไว้คือมีความทรงจำมีความผูกพันมีความปรารถนาจะทำอะไรแบบเดิมๆอยู่อีก 2. กรรมนิมิตได้แก่เครื่องหมายหรืออุปกรณ์ในการกระทำกรรมเช่นถ้าเคยฆ่าสัตว์มามากๆ ก็อาจเห็นสัตว์กรูมาทวงชีวิตหรืออาจเห็นปืนผาหน้าไม้ที่เคยใช้สังหารสัตว์ก็ได้กรรมนิมิตนี้อาจมาให้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ได้โดยมากจะเกิดทางตาทางหูและทางใจส่วนน้อยที่จะเกิดขึ้นที่อื่นเช่น บางคนเคยยัดเยียดอาหารขมขมให้พ่อแม่ในช่วงที่พ่อแม่ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งที่สามารถหาอาหารได้ดีกว่านั้นแต่มีเจตนาประหยัดหรือให้อย่างเสียไม่ได้ให้อย่างคิดว่าเมื่อไรจะตายพ้นพ้นไปเสียทีอย่างนี้อาจมีรสขมจัดที่สุดแสนจะกล่อมกลืนเกิดขึ้นที่ลิ้นได้เหมือนกัน หมายเหตุไว้นิดหนึ่งว่าถ้ายากจนจริงๆซื้ออาหารไม่ค่อยดีก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วตามฐานะอย่างนี้ไม่บาปแต่ถือว่าเป็นบุญ 3. คตินิมิตได้แก่เครื่องหมายหรือสภาพแวดล้อมของคติหรือภพที่จะไปเกิดถ้าเป็นคตินิมิตที่จะนำไปสู่สุคติ ก็จะปรากฏเป็นปราศาทราชวังวิมานสถานหรือความสว่างแห่งท้องฟ้าที่นุ่มนวลละ อ, อตามีแต่ความเย็นรื่นหน้าพิศวงอย่างประหลาดล้ำสำหรับคตินิมิตนี้เกิดขึ้นได้ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมายความว่าทั้งลืมตาอยู่ก็อาจเห็นโยมมาทูดมายืนอยู่ข้างๆญาติอันนี้ไม่ได้เป็นการตาฝาด แต่เป็นการปรุงแต่งของจิตใกล้วาระสุดท้ายที่ทำให้เห็นไปตามอานาจกรรมบันดาลสำหรับพวกใกล้ตายที่เห็นคตินิมิตนั้นตัวของนิมิตจะปรากฏเสมือนแม่เหล็กที่มีพลังดึงดูดและจิตจะหนีแรงดึงดูดนั้นไปไหนไม่ได้เช่นถ้าตาเห็นไก่หูได้ยินเสียงไก่ขันหรือเกิดนิมิตรูปไก่ขึ้นทางใจก็จะต้องไปเกิดเป็นไก่ตามนั้น พูดง่ายๆว่าเห็นอะไรก็เคลื่อนเข้าไปสู่ความเป็นเช่นนั้นโดยไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางได้ความจริงประการหนึ่งของคนที่ชีวิตใกล้ดับก็คือจะมีการทบทวนอดีตที่ผ่านมาเป็นฉากๆอย่างรวดเร็วน่าอัศจรรย์ขอให้ทราบว่าในขั้นของการทบทวนนั้นมีใช่นิมิตหมายอันจะเป็นที่ไปนิมิตหมายอันจะเป็นที่ไปนั้นเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดียว เป็นแรงดึงดูดจิตให้มุ่งไปตามทิศนั้นๆอาจมีข้อสงสัยว่าอะไรเป็นตัวสร้างนิมิตหมายขึ้นมาพระสาวกผู้ปฏิบัติชอบก็ตอบว่ากรรมนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินว่าเราจะได้เจอกับนิมิตหมายแบบไหนเรียงตามลำดับความหนักเบาสี่ประการดังนี้ 1. ขครุกรรมครุปแปลว่าหนัก ฉะนั้นคารุกรรมจึงหมายถึงกรรมหนักชนิดที่ทำครั้งเดียวก็ให้ผลแน่นอนเป็นสุคติหรือทุคติต่อให้ทำกรรมในรั่วตรงข้ามอื่นมากมายสักเพียงใดก็ไม่อาจยับยั้งการให้ผลที่แน่นอนของกรรมซึ่งทำเพียงครั้งเดียวนั้นได้สำหรับกรรมฝ่ายที่จะส่งไปสู่ทุคติแน่นอนนั้นคือทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเป็นอนันตริยกรรมได้แก่ ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ้าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นและยังส่งให้แตกจากกันส่วนกรรมฝ่ายที่จะส่งไปสู่สุขติแน่นอนนั้นคือทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดาไม่ขาวจนกระทั่งสาเร็จมรรคผลเป็นพระโสดาบาันบุคคลขึ้นไป หากทำกรรมนี้สำเร็จเพียงครั้งเดียวเป็นอันว่ามีสุขติเป็นที่ไปอย่างแน่นอนนอกจากนี้หากทำกรรมที่เป็นมห า, ตาคตะกุศลคือบำเพ็ญเพียรภาวนาจนได้ฌานและฌานนั้นยังไม่เสื่อมสามารถเข้าออกได้เป็นปกติก่อนตายมีกำลังใจหนักแน่นพอจะเข้าถึงฌานขั้นใดขั้นหนึ่งก็จะเป็นผู้แน่นอนในการไปสู่สุขติก่อนเช่นกัน แม้ว่าอดีตจะเคยก่อบาปก่อกรรมไว้มากมายเพียงใดเมื่อใกล้ตายจะเห็นนิมิตหมายในทางดีปรากฏอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ทำอนันตริยกรรมเอาไว้จะไม่มีทางบรร ล, ลุมรคผลและไม่มีทางทำสมาธิได้ถึงฌานเลยจนตายเนื่องจากอนันตริยกรรมมีความหนักหน่วงมากทวงจิตไว้ไม่ให้รอดจากวิถีนรกได้ด้วยหนทางใดๆ เมื่อใกล้าตายจะเห็นนิมิตหมายในทางร้ายปรากฏอย่างแน่นอนสองอาสัญกรรมคือกรรมที่ทำเมื่อเวลาใกล้าตายโดยมากจะหมายถึงกรรมทางความคิดทำให้จิตเกิดพวงหรือยังให้จิตบังเกิดปิติบางคนทำความดีมาจนชั่วชีวิตแต่ก่อนตายไม่นานเกิดความวิตกกังวลถึงกรรมชั่วบางอย่างที่เคยทาไวแค่หนสองหน จิตจึงเกิดความระส่ำระสายหาความสุขสงบไม่ได้หรือบางคนมีปกติไม่เบียดเบียนใครแต่เกิดเคราะหามยามร้ายต้องไปต่อสู้กับโจรแทงโจรตายทว่าก็โดนโจรแทงตายด้วยอย่างนี้จิตจะยึดเหนี่ยวกรรมอื่นยากมีแต่พุ่งไปจับกรรมที่เพิ่งทำสดสดร้อนร้อนท่าเดียวเมื่อใกล้ตายจึงเห็นนิมิตหมายในทางร้ายปรากฏก่อน ส่วนบางคนทําชั่วมาตลอดชีวิตหรือไม่ก็ทําบุญไว้น้อยกว่าทําบาปทว่าก่อนตายไม่นานมีคนอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังจิตเกิดความเลื่อมใสยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ทัน หรือกําลังตั้งใจเดินเอาของไปถวายพระภิกษุสงฆ์แล้วเป็นลมตายอย่างนี้จิตก็เหนี่ยวเอากรรมดีที่ทำล่าสุดไว้เป็นเรือนเมื่อใกล้าตายจึงเห็นนิมิตหมายในทางดีปรากฏก่อน 3. อาจินกรรมคือกรรมที่ทำเป็นประจำในระหว่างมีชีวิต อาจมีคำถามว่าแต่ละคนมีกรรมที่ทำเป็นประจาอยู่เยอะแยะแล้วจะทราบได้อย่างไรว่ากรรมประจาอันใดจะให้ผลในขั้นสุดท้ายก็ต้องตอบว่าถ้าอาจินนกรรมฝ่ายกุศลมีน้ำหนักมากกว่าอาจินนกรรมฝ่ายอากุศลเมื่อใกล้ตายจะเห็นนิมิตหมายในทางดีปรากฏก่อน และในบรรดาอาจินกรรมฝ่ายกุศลด้วยกันกุศลกรรมที่ทำไว้บ่อยที่สุดหรือมีตัวแปรให้สุขสว่างสูงสุดจะเป็นผู้บรรดาล น, นิมิตหมายเมื่อใกล้ตายก่อนเรื่องน้ำหนักกรรมนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาคนธรรมดาไม่มีทางรู้ได้ ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ฝึกวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเกิดสมาธิผ่องแผ้วย่อมน้อมไปรู้ได้เองเหมือนคนตาดีสามารถเห็นได้ว่าแสงจากกระบอกไฟฉายใดส่องสว่างนำทางได้ชัดกว่ากันอาจินนกรรมน่าสนใจกว่าครุกรรมและอาสันนกรรมเพราะมีโอกาสให้ผลมากที่สุดเป็นแรงบันดาลให้เกิดนิมิตหมายสุดท้ายได้มากที่สุด ทุกคนต้องมีอาจินกรรมหลายๆอย่างแน่นอนในขณะที่คนทั่วไปไม่ค่อยทำคารุกรรมกันและไม่ค่อยมีอาสันกรรมที่กำลังแรงพอจะให้ผลขณะถูกเด็ดชีพยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำกรรมดีมาทั้งชีวิตแต่กรรมเก่าบางอย่างมาตัดรอนชีวิตให้สั้นลงด้วยอุบัติเหตุอันสุดวิสัยที่จะป้องกันแบบที่เรียกกันว่าตายโหงกระทันหันนั้น ดูสภาพศพเผินๆแล้วน่าสยดสยองตามสามัญสำนึกของคนทั่วไปย่อมรู้สึกว่าถ้าตายร้ายย่อมไปร้ายแต่ความจริงก็คือวิบากกรรมไม่ได้ดูวิธีตายของเราเหมือนตามนุษย์แต่ดูแบบช่างน้ำหนักว่าที่ทำทำมาทั้งชีวิตนั้นน้ำหนักเทไปทางใด หากเทไปทางดีแล้วล่ะก็จะมีการประชุมกันก่อนนิมิตหมายอันเป็นมงคลอย่างแน่นอนสภาพหลังทิ้งซากไปแล้วอาจขัดแย้งกับตัวซากศพแบบพลิกหลังมือเป็นหน้ามือกระทันหันเลยทีเดียว 4. การตะัดตากรรมคือกรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาให้เป็นไปอย่างนั้นหรืออีกในหนึ่งก็คือไม่เต็มใจจะทำ ลักษณะของจิตจะไม่เป็นกุศลหรืออกุศลชัดเจนอย่างเช่นลูกถูกพ่อบังคับไปใส่บาตรพระโดยที่ลูกไม่ได้มีความเลื่อมใสยอยู่ด้วยตนเองและถ้าพ่อไม่ใช้ก็จะไม่ทําเลยเป็นต้นอย่างนี้แม้จัดเป็นกรรมก็มีน้ําหนักน้อยแทบจะเท่าน้ํามันฉาบกระทะที่ใช้ปรุงอาหารไม่ได้เนื่องจากกรรมทุกชนิดมีเจตนาเป็นประธาน หากเจตนาของเด็กเป็นไปเพื่อศัก์แต่ทำตามพ่อสั่งใจแทบไม่ยินดียินร้ายเอาเลยก็คล้ายให้พ่อยืมแขนขาตนมาใส่บาตรโดยที่ใจตัวเองไปอยู่เสียที่อื่นกรรมที่ใส่บาตรจะให้ผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในทางตรงข้ามถึงโดนใช้ให้ใส่บาตรแต่มีความเลื่อมใสในบุญมีกําลังใจยิ่งกว่าคนสั่งผลก็หนักแน่นยิ่งกว่าคนสั่งได้ ขอให้ทราบว่ากตัดตากรรมนั้นอยู่ที่น้ำหนักเจตนาที่อ่อนมิใช่กรรมประเภทที่ทำพราะคนอื่นสั่งเป็นไปได้น้อยกว่าหนึ่งในพันหนึ่งในมื่นรายที่กตัดตากรรมจะมาชิงให้ผลก่อนอาสัญกรรมและอาจินกรรมถ้ามีครุกรรมก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะจะไม่มีกรรมใดตัดหน้าไปได้อยู่แล้วส่วนใหญ่ถ้าทาแค่ครั้งสองครั้งจะไม่มีทางมาเข้ารอบชิงชัยได้เลย กตัดตากรรมจะมาเป็นตัวก่อนนิมิตหมายเมื่อใกล้ตายได้ก็เพราะเราทำกตัดตากรรมนั้นบ่อยๆหรือไม่ก็เพราะบุคคลซึ่งถูกกระทำเป็นผู้ทรงคุณใหญ่จนกลายเป็นกรรมที่มีกำลังมากกว่ากรรมปกติยกตัวอย่างเดิมสมมุติว่าเด็กที่มาใส่บาทเป็นลูกบ้านป่าทั้งชีวิตวนเวียนอยู่กับการเลี้ยงสัตว์ผาฟืนหุงข้าว ใจไม่ค่อยคิดอะไรมากไปกว่าเลี้ยงตัวเอาให้รอดวันต่อวันแต่บังเอิญมีพระธุดงบินทบาทผ่านบ้านเป็นระยะแล้วก็ถูกพ่อแม่สั่งให้ใส่บาทหลายหนหากพระธุดงนั้นเป็นผู้ทรงคุณก็แปลว่าเด็กสั่งสมบุญใหญ่ไว้โดยไม่รู้ตัวทำนองเดียวกับคนตาบอดไม่รู้ตัวว่าหยิบเหรียญทองใส่กระเป๋านึกว่าเป็นเหรียญบาทธรรมดาพอถึงเวลาต้องควักออกมา ถ้าโชคดีเจอคนมีใจเป็นธรรมซึ่งก็หาได้ยากบอกตามจริงว่านั่นไม่ใช่เหรียญบาทแต่เป็นเหรียญทองคนตาบอดก็อาจร่ำรวยทันทีแบบไม่ต้องลงทุนเมื่อนิมิตหมายปรากฏแล้วมีวาระสุดท้ายอันเป็นภวังคจิตเคลื่อนจากพบเดิมแล้วมีวาระแรกสุดอันเป็นภวังคจิตอุบัติในพบใหม่แล้วจะไม่มีใครกลับเข้าร่างเดิมได้อีกเลย หากใครบอกว่าตายแล้วแต่ยังหวนกลับมาพูดจาและเดินเหินได้ใหม่ก็แปลว่าเขายังไม่ไปเกิดใหม่จริงแม้ร่างกายจะยุติการทำงานและถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าตายแล้วก็ตามแต่เขายังไม่ถึงซึ่งภาวะแห่งมรณะตามนิยามของพระพุทธองค์เต็มร้อยเลยประสบการณ์เฉียดตายของหลายต่อหลายคนจึงเป็นเพียงนิมิตหมายอย่างหนึ่ง ไม่เชิงว่าเป็นของเกลื่นล้วนเพียงแต่เอามายึดมั่นถือมั่นเป็นคำบอกเล่าของผู้ผ่านความตายมาแล้วไม่ได้อาทิเช่นผู้ที่กล่าวถึงภาวะการตายแต่ในแง่ดีเพียงเพราะไปสัมผัสมิติสุขสงบดื่มดำล้ำลึกมานั้นถือว่าเป็นการแจ้งข่าวที่ผิดพลาดกับชาวโลก และอาจทำให้บางคนหลงคิดไปว่าตายแล้ววิญ ญ, ญาณจะอยู่ในเขตสันติสุขถ่ายเดียวเลยพานเกิดความคิดฆ่าตัวตายหนีโลกไปเสียก่อนวัยอันควรนอกจากนี้ยังมีการตายในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการดับขันของพระอรหันต์บุคคลผู้หมดกิเลสหรือที่ทางพุทธศาสนาเรียกกันว่าพระอรหันต์นั้นหมดจากความหลงสาคัญผิด เช่นเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนจึงสิ้นความทยานอยากเข้าไปยึดทยานเข้าไปติดใจในพบน้อยพบใหญ่ทั้งปวงเมื่อหมดความทยานเข้าไปยึดหมดความหลงเห็นว่าภาวะอย่างนั้นดีภาวะอย่างนี้นะ่าอภิรม์จิตก็สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากการก่อร่างสร้างภพปลอดตรงออกมาจากแก่นกลางภายในอย่างแท้จริง สมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าภิกษุสำเร็จวิชารู้ตามจริงขั้นสูงสุดแล้วพระพุทธองค์ตรัสเปรียบไว้เหมือนตายอดด้วนที่ไม่อาจงอกเงยได้อีกคือทำลายกิเลสทั้งปวงอันเป็นเหตุให้เกิดพบใหม่หรืออีกในหนึ่งก็คือทำลายเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเหตุ น, นำไปสู่ทุกข์ทั้งปวงลงสิ้นเชิงเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ขณะสุดท้ายของชีวิตของผู้บริสุทธิ์จากกิเลสนั้นจะไม่มีนิมิตหมายใดๆปรากฏขึ้นทั้งสิ้นไม่ว่าจะเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานก็ตามทีและเมื่อเกิดจุดติจิตก็จะไม่เหลือร่องรอยการสืบต่อองค์แห่งความทุกข์ใดๆอีกคือจะไม่มีการอุบัติไม่มีการไปปฏิสนธิในภพใดๆไม่เข้าเป็นพวกของหมู่สัตว์ใดๆตลอดทั้งไตรภูมิ จากเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน